อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมราบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะออกอากาศให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคได้รับฟังพร้อมกันเลยนะคะในส่วนกลางนั้นก็จะออกด้วยคลื่น FM 92.5 MHz AM 8 9 0ป เกลียวเฮิร์สค่ะแล้วสำหรับในส่วนต่างจังหวัดนั้นก็รับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเกลือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในทุกๆจังหวัดนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่8ตุลาคม2554ค่ะเป็นวันขึ้น11ขเค่ำเดือน11ปีทอนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งของบ้านเรานะคะก็นาทุกฟังมากราบนมัสการรับฟัง ท่านพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุลโนซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรซึ่งหลวงพ่อก็เป็นเจ้าอาวาสที่เป็นที่รักเคารพอย่างยิ่งของวัดป่าดอนหายโศกที่ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีนะคะหลายท่านก็เคยไปสมัครเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วก็ได้อะไรดีๆธรรม ะ, อะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทํา กลบกราวให้จิตใจเรามีความสุขนะคะและเพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศที่อาจจะไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปที่วัดป่าดอนหายโศกได้รับทราบถึงข้อธรรมะต่างๆที่จะทําให้พวกเรานั้นมีจิตใจสงบแล้วก็เข้าถึงพระธรรมขององค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้ากันจริงๆดังนั้นก็เป็นประจําทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะก็ดิฉันก็จะได้กราบนิมนต์พระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการ หลักสูตรปฏิบัติธรรมเรียกว่ า, าตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหโศกมาสาขาหรือสุนทนาธรรมะในรายการเราเหมือนเคยค่ะขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนำ้ำมศการพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนำ้ำมการเจ้าขะพระอาจารย์เจ้าขาเทียนพรเทียนพร สาธุเจ้าคะ่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์ขึ้น11ค่ำเดือน11นี้ทราบว่าพระอาจารย์จะมีเรื่องของ เ, ออเรียกว่าเป็นพระคถาที่ต่อเนื่องจากที่เราได้สนทนาในคราวที่แล้วเป็นเรื่องของเทวดากะอสูรใช่ไหมเจ้าคะมาเพิ่มเติมนะเจ้าคะ ก, กรับนิมนต์เลยเจ้าคะ่ะก็คือช่วงนี้อยู่ในพรรษาอยู่ก็ยังติดค้างกันเรื่องของขาคาถาที่ได้จะต้องมายกให้ให้ให้ทราบ ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของสงครามระหว่างเทวดากับประศูนในชั้นดาวดึงนะอันนี้ก็เป็นที่พระพุชธเจเล่าให้ฟังเนะีเป็นเทวดาเป็นหนึ่งในสองชั้นคือเทวดาเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่หกชั้นหรือห้าชั้นนี่แหละในทั้งหมดแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีแค่สองภพเท่านั้นคือชั้นดาวดึงกับชั้นนิมราตตะสวัสดีเนี่ยที่จะมีฝ่ายตรงกันข้ามกันอยู่นะที่เหลืออย่างเช่นดุสิตเนี่ยจะมีแต่เทวดาดีๆ แต่ว่าเทวดาที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยไม่ไปอยู่ชั้นนิมานารดีก็จะมาอยู่ชั้นของดุสิตออขออภัยมาอยู่ชั้นของดาวดึงพวกที่อยู่ชั้นดาวดึงพวกทีไ่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยนะก็จะเรียกว่าอสูรพวกที่ดีก็จะเรียกว่าเทวดาธรรมดาใช่ไหมเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่ามีสงครามระหว่างเทวดากับอสูร ทีนี้ว่าในสงครามครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ตะลุมบอลกันสุดยอดแล้วนะคือหมดหน้าตา ก, กันทุกคน <Okay. S 1> นะีนี้ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เลยจะพูดถึงครั้งแรกสงครามครั้งแรกนนก็คือหมายก่าว่าก่อนที่มัานจะมารบในสมุสรมรสมรภูมิสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตีกันมาหลายรอบแล้วทีนี้ในตอน <c oughs> ตอนที่เขาตีกันรอบแรกเนี่ยเป็นยังไงก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังซึ่งเป็นคาถาตรงนี้น่าสาคัญมาก นะคือเรื่องเดิมมันมีเป็นข้อความมาอย่างนี้ก่อนอยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยพวกฝ่ายมารเนี่ยเขาก็เตรียมแต่งทัพกันมาแล้วนะแต่งทัพที่จะมายึดคลอง เ, อเทวดาชั้นดาวดึงนี่แหละเพราะว่าไม่ชอบหน้ากันมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่พระอินเนี่ยมาตั้งสวรรค์ชั้นนี้ใหม่ๆนะ มามามาใช้ที่ดิ น, นบริเวณ น, นี้ใหม่ๆนะก็คือเหมือนกับมนุษย์โลกเราเลยนี่แหละมีการตีการด่ากันอย่างเงี้ยทีนี้พอพวกมารเนี่ ย, ย<อ>เขาแต่งทัพจะมาแก้แค้นละเขาแต่งทัพมาแก้แค้นเนี่ยทัพของเขาเนี่ยนะยาวถึง12โยชนะมีความยาวถึง12บสองโยธแล้วก็มีความเข้มแข็งมากแล้วพระอินเนี่ยก็เลยสั่งให้พวกเทวดาเหล่าชั้นจตุมหาราชิกาคือชั้นที่ต่ำลงไปเนี่ย แล้วก็มา <Okay. S 1> คอยคุ้มกันอยู่ปรากฏว่าทัพของพวกเทวดาชันจตุมาราชิกาเนี่ยตีแตกหมดเลยถูกตีแตกหมดน้ามานกำลังพุ่ง<ช>เข้ามาแล้วท่านพระอินทร์ก็เลยสั่งให้เทวดานะที่ชื่อว่าสุวีระเทวดาสุวีระเนี่ยเป็นเทวดาที่เป็นลูกของพระอินทร์นั่นเองนะคือมีเป็นลูกเป็นบริวารกันเป็นลูกของพระอินทร์ปรากฏว่าพอสั่งให เทวดาชื่อสุวีระเนี่ยอ่ะสุวิระเธอจงไปนะจงไปแต่งทัพไปคอยรับมือกับทัพของท้าวเวปจิตนะสั่งครั้งที่หนึ่งเทวดาชื่อสุวีระนี่ก็บอกว่าเอาละก็รับรับคำมานะว่าเดี๋ยวจะไปจัดการให้แต่ก็ไม่ทำอะไรนะนิ่ง <Okay. S 1> อยู่แม <Okay. S 1> นะครั้งที่สองนะท้าวส ก, กัเทวราชก็ บอกกับเทวราชื่อสุวิระบอกว่าอ้าวบายเธอจงไปป้องกันพวกอสูรเอาไว้พวกอสูรเอาไว้อย่างนี้สุวิระก็รับคําสั่งแล้วก็นิ่งอยู่นไม่ทําอะไรแล้วก็เฉยอยู่นะจะ๊ะเฉยอยู่นิ่งอยู่<บ>ประมาทอยู่ว่าองนั้นเถอะจนกระทั่งสามรอบเจเหมือนเอาหูทวนลมอยู่ว่าองนั้นเถอะรับคําว่าทําแต่ว่าไม่ไปทําให้ให้ประมาทอยู่ยังมีความประมาทอยู่ พอพูดไปเป็นรอบที่สรอบที่สมเนี่ยท้าวส ก, กะเทวราชก็บอกว่าบุคคลที่ไม่หมั่นพยายามจะประสบความสุขได้ณที่ใดสุบีระเธอจงไปที่นั่นและจงพาเราไปถึงณที่นั่นด้วยเถิดพูดอย่างนี้นะนะฟังอีกครั้งหนึ่งบุคคลผู้ไม่ต้องมีความ คือพูดภาษาเราเราง่ายๆนะบุคคลจะไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็จะมีความสุขอยู่ได้เนี่ยมีอยู่ในที่ไหนสุวีระเธอจงไปที่นั่นแล้วก็พาเราไปด้วยเนะี่ยพูดอย่างนี้เทวดาชื่อสุวีระก็เลยถามเอ๊บุคคลที่ไม่เกียดคร้านบุคคลที่เกียดคร้านไม่ทำอะไรจะมีความสุขพรั่งพร้อมอยู่ด้วยอยู่ที่ไหนขอให้ท้าศ ก, กะบอกกัเราด้วยเถิดเนี่ยคือ คือท้าสกะาถามว่าถ้าคนขี้เกียจไม่ต้องงานทําอะไรแล้วจะมีความสุขอยู่ในนั่นที่ไหนนะเธอจงพาเราไปที่นั่นเธ<ช>อจงไปที่นั่นแล้วพาเราไปด้วยท้าวเทวดาชื่อสุวิรักษก็เลยถามกลับว่าเอ้ที่อย่างนั้นมีด้วยเหรอช่วยบอกหน่อยแล้ว<ช><ช>อ่ะท้าวสกะเทวดาก็เลยบอกอีกบอกว่าบุคคลผู้เกียจคร้านเนี่ยมีความสุขอยู่ในที่ไหนจงพาเราไปพูดครั้งที่สองนะแต่ว่าใช้บทเพ<ช>ิงชนะที่เปลี่ยนไปนิดหนึ่งแต่ต่างกันไปนิดเดียค่ะแต่ตางกันไปนิดหนึ่ง เ, ออเทวนาชื่อสุวิระก็เลยถามอีกว่าเอ อ, อยู่ที่ไหนขอให้เท้าส ก, กะเทวราชเนี่ยพาไปด้วยเนะจ้าค่ะสุดท้ายเท้าส ก, กะเทวราชก็บอกว่าออหากความสุขเนี่ยจะมีได้โดยไม่ต้องทำงานไม่ว่าในที่ไหนๆใครๆย่อมดำรงชีพอยู่ไม่ได้นั่นเป็นทางแห่งนิพพานสุวิระเจ้าจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปณที่นั้นด้วย ังหมายความว่างไงตรงนี้ถ้าฟังให้ดีๆเนี่ยาาาท้าวสกัเทวราช บ, บอกว่าความสุขจะมีได้โดยไม่ต้องทํางานเนี่ยมีอยู่ที่ไหนที่นั่นจะไม่มีการดํารงชีพยอยู่ไม่ได้คือไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรอะนะนั่นน ะ, ค, ะคือนิพพานสุวีละถ้าเธอไม่ต้องรบนะเธอไปนิพพานซะแล้วพาเราไปด้วยพูดลักษณะนี้นะพอพูดตรงนี้จบเนี่ยพอพูดตรงนี้จบเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังแค่นี้นะพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังแค่นี้แล้วก็บอกกับ ภิกษุทั้งหลายคือข้อความนี้เนี่ยเป็นภาษาของเทวดาเขาอะนะที่หมายความว่าพระพุทธเจ้าแปลให้ฟังว่าเท้าสักกดเทวราชเนี่ยนะก็ต้องอาศัยผลบุญของตัวเองนะทุนบุญตัวเองเนี่ยตัวเองทํานะมีอีกวาระหนึ่งที่พระพเจ้าเคยพูดถึงความการที่จะมาเป็นเท้าสักกะเทวราชเนี่ยต้องมีสกัดวัตถบท7คือต้องมีคุณธรรมอยู่ทั้งหมด7ประการทําอยู่ตลอดชีวิตถึงจะมาเป็นมีความยิ่งใหญ่อย่างนี้ได้คคซึ่งอาศัยบุญของตัวเองนี่แหละ จึงมาเป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้นะแล้วพวกเธอล่ะมาอยู่ในธรรมะวินัยนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมันเพียรพยายามเพื่อบรุสิ่งที่ยังไม่บรุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเพื่อทำให้แทงตลอดในสิ่งที่ยังไม่ไม่รู้ทั่วถึงก็คือบทสนทนาระหว่างสุวีระกับของท้าวสกกดเทวราชเนี่ยก็คือในลักษณะที่ว่าคนที่ไม่ทาอะไรเนี่ยมันจะไม่ได้อะไร <น>เธอต้องทําการงานโดยไม่หวั่นไหวมีความเพียรมีความขยันมีความภาคเพียรถึงจะได้ตามที่ตัวเองต้องการได้อย่างนี้เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นเหมือนการเตือนสติใช่ไหมเจ้คาคะว่าคนเรานั้นเนี่ย เ, เกิดม า, าแล้วก็จะต้องทําการงานก็คือต้องมีหน้าที่รับผิดชอบใช่ไหมเจ้าคะใชได้<ช>รับปอบหมายอะไรคงจะต้องทํา <ทำ S 2> เพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกหรือแม้แต่ในสวรรค์เลยที่ว่า คนจะขี้เกียจไม่ทำงานแล้วเนี่ยมันจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือว่ามีสามารถดำเนินชีวิตไปต่อไปได้ถ้าเบื่ออยากจะทำอย่างนั้นจริงๆก็จะต้องอมัน<ะ>มีอุตสาหะเจ้าค่ะที่จะฝึกปฏิบัติต่างๆพอไปถึงเส้นทางนิพพานนั่นก็คือการที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็เรียกว่าสิ้งสุดทุกอย่างใช่ัหมเจ้าค่ะแล้วก็มีความสุขอยู่ได้เจ้าค่ะมีความสุขแบบที่ไม่ต้องมาทุกข์อีกนะ ประเด็นที่ตรงนี้ที่ต้องการจะพูดให้ทราบก็คือว่าเวลาที่อย่างเทวดาเนี่ยบางคนคิดว่าโอ้ยมีแต่สเสวยสุขเต็มที่เลยไม่ต้องทำอะไร <Okay. S 2> นะสเสวยสุขถูกต้องอันนี้พระเจ้าเคยบอกไว้ความสุขชนิดที่ไม่มีระหว่างเลยนะคือสุขตลอดเวลาคุณเติอนใจ <Okay. S 2> เ, ปนเป็นความสุขในลักษณะของเทวดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นดาวดึงเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยพูดเอาไว้ในที่หนึ่งคือพวกนี้อาตมาไม่ใช่คําอาตมานะบางคนอาจจ ะ, ะมาบอกว่าเอ้ยพระอาจารย์ใบบูมีตาทิพย์รือเปล่าเอามาพูดอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องสงสยัยเราเอาคำพระพุทธเจ้ามาพูดะนะพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าในชั้นดาวดึงเนี่ยมีความเอืบอิ่มเพียรพร้อมด้วยการมคุณทั้ง5้าชนิด ท, ที่เรียกว่าโอ้ยละเอียดกว่าของมนุษย์มากโจ้ค่ะนะทีนี้บางคนก็เลยจะคิดว่าโอ้ยเป็นเทวดานี่มันสบายทาไมจะต้องทําอะไรอีก นะนี่อาจจะเป็นความคิดของเทวดาชื่อสุเอระหรือว่ามนุษย์บางค น, น ใ, ชใช่ไหมแต่พอมาสถานการณ์มันเกิดขึ้นนะ่ะคุณเตือนใอย่างในกรณีอย่างเงี้ยใครจะรู้ว่าบอยชั้นดาวดึงนี่มันน่าจะแบบสบายที่สุดแล้วนะทําไมยังจะต้องมามีการสู้รบกันด้วยมันไม่น่าจะมีแต่มันมีอ่ะมันไม่ได้มีตลอดน ะ, ะอะืมันมันนานๆจะมีสักทีหนึ่งนะซึ่งสมัยนี้ไม่มีนะการรบในบนชั้นเทวดาที่เรารู้ก็เพราะว่าท้องฟ้านี่มันยังไม่ได้มืดเป็นแบบ เป็นคลื่นเป็นอะไรอย่างนั้นพระเจ้าเคยอธิบายไว้ว่ามันจะมีลักษณะนั้นนะแต่มันไม่ได้เป็นแสดงว่าเขาไม่ได้รบกันหล่กตอนที่เคารบกันเนี่ยมันก็มีแต่พอตอนที่รบกันแล้วเนี่ยเราถูกเรียกออกไปเพื่อสู้ในสนามรบเนี่ยเราจะทํำยังไงมีคําที่เขาเคยอย่างตอนที่บ้านเมืองเราอยู่ในสถานการณ์ใช่ไหมเขาจะมาเขาเรียกว่าเกณฑ์ทหารอย่างเงี้ยมีคําสั่งเกณฑ์ทหารมาแล้วคุณจะตอบว่ายังไงคุณจะไปหรือคุณจะไม่ไป คุณจะสู้โดยลักษณะไหนหรือคุณจะอยู่หน่วยไหนเขาก็ต้องไปดูกันอีกทีใช่ไหม <Okay. S 1> แต่เมื่อเราถูกเรียกเพื่อให้ไปทํางานแล้วเนี่ยคุณจะตอบว่ายัางไงนี่คือนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดนะหมาย <Okay. S 1> ว่าเวลาที่มันไม่มีสถานการณ์อะไรไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยมันก็อยู่สบา ย, ยทุกคนใช่ไหม <Okay. S 1> แต่พอตอนที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทํำยังไงค <Okay. S 1> นะ่แล้วบางคนมาคิดว่าเปัญหานี่มันหมายถึงการรบหรือเปล่า หรือเวลาที่แบบมีต้องมีสงครามระหว่างประเทศอะไรอย่างนี้นะมันไม่ใช่แค่นั้นไงคุณตือนใจบางคนไปคิดว่าในกรณีเช่นนั้นเราถึงจะต้องมาสามัคคีการคอยระวังรักษาป้องกัน ร, รั้วของชาติอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่เลยไอกรณีที่มีคนมาด่าเราแล้วเราจะรู้สึกไม่พอใจมีกิเลสมาคอยทิมตามมีตัณหามาคอยเสียดแทงมีอวิชชามาปิดกัน้นนั่นแหละเราสู้รบแล้วเราสู้รบกับกิเลสอยู่ อิเล่นนะมันจะลากเราถูลูถูกลางไปนะให้ไปไปตามตาไปตามหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้าเราไม่สู้นะนิ่งๆ่งอยู่เหมือนสุสีมะมันจะไปได้อะไรนะ<ช><ๆ>ก็ถูกเขาตีถล่มเท่านั้นเองซึ่งซึ่งในตอนเนี้ยในตอนท้ายของพระสูตรเนี้ยพระพุทธเจ้ า, เาได้เล่าให้ฟังว่าท่านท้าวสกกาเทวราไม่ได้เรียกสุสีมะคนเดียวนะยังเรียกขออภัยไม่ได้เรียกสุวิระคนเดียวนะยังเรียกเทวดารูปอื่นๆนะชื่อสุสีมะเป็นต้น อะไรต่างๆจนกระทั่งในการรบครั้งนั้นเนี่ยโอ้โหแพ้แพ้แพ้ แ, พแพหลายหลายรอบนะจนกระทั่งมาครั้งสุดท้ายถึงจะชนะเท่านั้นเองเราชนะครั้งเดียวชนะเลยลักษณะ น, นั้นนะเพราะตอนนั้นหมดหน้าตักกันหมดเจ้ค่ะก็พอมาถึงตรงการสู้รบตรงนี้เราไม่ได้ต้องเป็นการสู้รบที่ต้องเอาเป็นเอาตายหรือป้องกันประเทศชาติอะไรอย่างนั้นนะเราหมายถึงการสู้รบ ตัวเราเองคุณเตือนใจสมมติเรานอนอยู่บนเตียงนุมน่มๆทุกวันทุกวั น, วนอย่างเวลานี้มันท่านผู้ฟังบางคนนอนอยู่บนเตียงนะถึงเวลา <Okay. S 1> จะต้องตื่นแล้วอย่างเงี้ยอวันนี้ต้องทํางานด่วนต้องมีงานสําคัญไปทําแต่คออีกห้านาทีก็แล้วกัน น, น, <Thank you. S 1> นั่นเนี่ยเราแพ้แล้วนะนึกออกไหมว่า <Thank you. S 1> เราถูกตันหากับอวิชากิเลสเนี่ยมันครอบงําเราอยู่ถ้าเราไม่สู้นะก็ถูกกิเลสกินหัวแลนะแพ้อยู่นั่นแหอะ <Thank you. S 1> ไอ้ไอไอ <Okay. S 1> เรื่องตื่นไม่ไหวนี่ยังเล็กน้อยนะ บางคนคแล้วถ้าเรื่องยาเสพติดละ่ะเรื่องที่เขาชักชวนเราไปผิดศีลล่ะเรื่องที่เขาชักชวนเราไปผิดธรรมละ่ะการคดโกงผู้อื่นการอวนมันมีสารพัดอะสมัยนี้อวิชก็ เ, เรียกว่าอะไรมิฉาชีวะน ะ, ะเราจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นได้ไหมนี่คือประเด็นะนะพระเจ้าจึงต้องบอกว่าให้เธอเนี่ยมีความเพียรในการขยันหมั่นเพียรในการที่จะให้มีสติอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นเรียกว่าสู้แล้ว ให้เรามีจิตที่จะมีสติในการสู้กับกิเลสแล้วไอ้พวกกิเลสที่มันมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเพชฌฆาตมาตามฆ่าเราอยู่เพชฌฆาตาที่จะคอยมาเฉาะหัวเราอะนะมีห้าคนแล้วแค่นั้นยังมไม่พอห้าคนนี้ก็จะมีรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณาบางทีเราก็เสร็จรูปน่คือกายของเราเดี๋ยวสมมติ ตรงนี้อุ๊ยปีนี้ทำไมมีตีนกานั่นเสร็จรูปละเสร็จตาละเสร็จรูปคือหมายถึงร่างกายนี้นะอุ๊ยไปตรวจ <c oughs> พบโรคนี้โอ้โหเครียดทํางานไม่ได้แต่บางคนเพิ่งอยู่ในวัยกลางคนอย่างเงี้ยไปตรวจพบพบว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยนะโอ้โห <c oughs> ตื่นตระหนกวิตกไม่รู้จะทํำยังไงทําไม่ถูกเป็นหน้าเป็นหลังไปหมดอย่างนี้ก็มีอันนี้ถูกถู ก, ถกเพชฌฆาตรรูปที่คนที่หนึ่งละ เพชฌฆาตหนึ่งมีอยู่5คนอันที่2 <Okay. S 1> ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคือบางทีมีความทุกข์ทางความรู้สึกความรู้สึกทางความทุกข์ทางกายอย่างนี้แล้วก็ <Okay. S 1> มีรูปเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเป็นเป็นฆาสศึกนะเป็นเพชฌฆาตที่จะคอยตามฆ่าเราอยู่เราต้องหนนะีอย่าไปเอาเขา <Okay. S 1> แล้วก็มีเพชฌฆาตคนที่6นี่ร้ายกาจมากนะสามารถบินขึ้นไปในอากาศได้ แล้วเงื้อดาบติดตามเรามาอยู่เนะป็นสกายคนที่หกนี้พระเจ้าเปรียบเทียบกับความกําหนัดด้วยอำ น, นาจความเพลิอนนะอถ้าเราเพลิอนอยู่เนี่ยเราสู้มันไม่ได้เนะี่ยถูกมันเฉาะหัวเอาเพราะฉะนั้นเราต้องมีสีอยู่ตลอดเวลานะใครจะรู้ว่าไอ้เวลาที่เขาเรียก เ, าเราออกไปรบเนี่ยมันอยู่ทุกขณะอยู่แล้วเวลาที่เราจะถูกกิเลส ล, ลากไปถูรูปถูกกลางเวลาที่เรามี ความกามมาล่อลวงมีโทสะมายั่วให้เรากโกรธนะมวีวิชาความไม่รู้มาล่ให้เราหลงอย่างเงี้ยเราสู้อยู่ตลอดเวลามั น, ม, นมันต้องสู้เอาชนะตัวเองให้ได้เจ้าค่ะลักษณะนี้เจ้าค่ะก็เรียกว่าเราจะต้องต่อสู้กับสิ่งที่มาเหมือนกับเป็นพิชชาติอย่างที่พระอาจารย์ได้ได้ เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะเจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องต่อสู้กับสิ่งที่จะมาบั่นทอนหรือว่ามาทําให้จิตใจเราค่อยเคลยไปหรือว่าตกไปในทางที่ต่าถูไหมเจ้าคะใช่เจ้าค่ะมันออกสิดตลอดเวลาใช่แล้วศึกเนี่ยนะสงครามเนี่ยมันไม่ได้มันมันไม่ได้รอจังหวะเรานะเดี๋ยวบางทีมันมาตามสายโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันมาตามอีเมลก็มีนะแล้วก็มาทาง Facebook อินเทอร์เน็ตมันเอาระหมดโฆษณานี่ยเอาประจำ นะใครดูทีว okay. yep. ีน like, oh, okay. kind of um, ี่จะเจอข่าสึกอยู่ตลอดเวลานะแล้วถ้าเราถูกชุดดึงไปทางนั้นเราจะเสร็จมันเลยแต่บางคนถูกฉอหัวด้วยไหมด้วยตัวโกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้เป็นปืนเป็นไฟเขาด่าเราในทีวีอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเลยโอ้ยคนคนพูดเขาไม่รู้เรื่องกับเราด้วยเลยทีวีเขาก็ไม่รู้เรื่องกับเราด้วยเลยถูกเอาเข้าให้แล้วอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งเจนี้เจตุปราชาไพยบูลจะเมตตาที่จะ ที่แนะแนวทางให้ท่านฝู่ังทางบ้านนะเจ้าคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายหลายท่านที่อาจจะห่างไกลาจากทางธรรมะสักนิดนึงแต่ว่าเพราะว่าต้องต่อสู้อยู่ในโลกปัจจุบันนะเจ้าคะ่ะซึ่งก็มีความปิดคันในด้านของทั้งเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆยิ่งตอนนี้นะเจ้าค้าระว่างนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนชาวไทยเราเนี่กว่าเป็นจานวนมากเลยนะเจ้าคะ่ะ 3ามกว่าจังหวัดนี้น้ำท่วมหมดเลยค<ท>นทุกข์กันมากเลยเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยเมตตาที่จะชี้แจงแสดงธรรมแล้วก็ปลอบโยนกันสักนิดนึงเจ้าค่ะว่าสำหรับท่านที่กำลังผจนกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นอุทกภัยเนี่ยเจ้าค่ะต้องวางจิตใจยอย่างไรและสำหรับคนที่ไม่ได้มี โดนขอ้อกรรมแบบนั้ น, นเจ้าค่ะในส่วนอื่นๆเนี่ยควรจะทําใจยังไงแล้วก็ทําตัวยังไงที่จะช่วยเหลื อ, อพี่น้องร่วมชาติหรือว่าร่วมที่เรียกว่าเกิดมาชาติเดียวกันเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยเจ้าค่ะกลับนิ้วมือเลยเจ้าค่ะอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีคุณตือนใจในเวลาที่เราตกอยู่ในสถน า, านการณ์เนี่ยนะคือ<ช>สถ า, านการณ์เนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนอย่างเวลาเราน้ําท่วมแต่สถ า, านการณ์ที่เห็นยังไม่ชัดเจนคือในจิตของเราอย่างเช่นเวลาดูทีวีดูละครแล้วมันจิตขึ้น ข, นขนลงๆตอนนี้ก็สถานการณ์เหมือนกัน เราสถานการณ์ที่เห็นชัดเจนชัดเจนเลยตอนนี้น้ำท่วมเป็นต้นมันเป็นเวลาที่เราจะต้องสามัคคีกันนะเป็นเวลาที่เราจะต้องสู้คนที่อยู่ในสถานการณ์นะต้องสู้อย่าท้อนะสู้ในที่นี้หมายความว่าอะไรสู้ต่อสู้ด้วยความอดทนนะไม่ใช่สู้ด้วยการด่ากันว่ากันทําไมเธอมีน้ํามากกว่าฉันไม่ได้ตอนนี้เขาคงไม่ต้องการน้ํากันเอาจะไม่เธอมีน้ํากินมากกว่าฉันฉันไม่มีน้ํากินเอามาแย่งกันด่ากันไม่ใช่สู้อย่างนั้นแต่สู้ด้วยความอดทนสู้ด้วยความไม่เบียดเบียน นะสู้ด้วยเมตตาจิตใช่ไหสู้ด้วยความรักใคร่เอ็นดูสู้อย่างนี้สู้อย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นจิตเราจะสูงขึ้นนะเราจะมีแต่ความสามัคคีกันไม่ด่ากันไม่ว่ากันมันไม่มีจิตบิยดเบียนกันคุณเดือนใจมันจะไปด่ากันไปว่ากันได้ไงใช่ไหมมีแต่ความเมตตาเอื้อเฟื้อเอื้อกล่นกันตรงนี้แหละนะเราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้น้ำท่วมใช่ไ้ยแต่ฉันก็ยังมีน้ำใจอย่างนี้น ะ, ะนะแล้วก็เราช่วยเหลือกัน นะสู้ด้วยความอดทนนะอยู่ในสถานการณ์บางทีเราอดบ้างกินบ้างอย่างพระเจ้าประสองค์เงี้ยสมัยก่อนครูบาอาจารย์อยู่ตามป่าตามเข า, เ, าเขามีอะไรนะเขียดอยู่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็เท่าประมาณสามนิ้วมือนะ่ะแบ่งกันกินสี่รูปยังได้แล้วก็ข้าวเหนียวคนละปั้นอย่างเงี้ยก็อยู่ได้ละสองสามวันอย่างนี้เป็นตน้นก็อดทนกันอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาชนะ ความฟุ้งเฟอ้อเหเ ห, เหมเอาชนะการแบ่งเป็นฝกักเป็นฝา่ายเอาชนะทิฐิที่เห็นเป็นสุดโต่งคนละข้างพอถึงเวลามันก็จะต้องมารวมกันเอาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เราจะต้องสู้ให้ได้ก่อนหรือ <Okay. S 1> อย่างไรก็ตามพอเราแก้ตรงนี้ไม่ได้ให้มาเห็นมาว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นทุกวันทุกวันในชีวิตของเรามันมีอยู่ <Okay. S 1> ใช่ไหมเช่นว่าตื่นช้ามาต้องไปเข้าห้องน้ำแค่นี้ก็ทุกพอแล้วพอถึง <Okay. S 1> เรียกห้องน้ําว่าสุ ข, ขาห้องถ่ายทุกนะ <Okay. S 2> เพราะว่ามันเป็นความทุกข์ที่เราจะต้องเจอทุกวันถ้ายังไม่เห็นการอดทนจะช่วยได้เพราะว่าอดทนแล้วจะทำให้มีสมาธิพอมีสมาธิและจิตเป็นสมาธิมีกำลังเนี่ยมันจะเห็นทำได้ <Okay. S 2> มันจะเห็นความไม่เที่ยงในตรงนี้ได้คิดดูเมื่อก่อนเราก็มีถอยคนที่ดูทีวีเห็นว่าโอ้ี่ปุ่นได้รับทุกข์มากเลยซีนามิท่วมทั้งแผ่นดินไหวโอ้สงสารสงสารมีจิตสงสารใช่ไห <Okay. S 2> แต่ความสงสารที่เกิดตอนดูทีวีประเทศญี่ปุ่นก็เป็นยังไงนะกับเจอตัวเองอมันไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะ <Okay. S 2> ไม่เหมือนกันแสดงว่าอะไรถ้าเรามีความรู้สึกว่าโอ้เราไปพะจุนอยู่ในน้ําท่วมนะแดดก็ร้อนเฉะไปหมดร้อนมันไม่ร้อนแห้งๆมันร้อนเฉอะแฉะด้วยน้ํา <Okay. S 2> ก็ไม่มีกินน้ําเยอะก็ตามแต่กินก็ไม่ได้นะ <Okay. S 2> หิวก็หิวแดดก็ร้อนคนก็เยอะอบอ้าวิ่งต่างหาโอ้ยมันเต็มไปหมดโอ้มันเทียบกันที่เราดูทีวีไม่ได้เลยแฮ ใช่ไหมก็เพราะว่าผัสสะไม่เหมือนกันเราจะรู้ได้เลยโอ้พระเจ้านี่สอนตรงจริงๆรินะสอนเรื่องของจิตหมดเลยเพราะมีผัสสะจึงมีความรู้สึกนะเรามีสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่เหมือนกับดูในทีวีดูทีวีในแค่สัมผัสต่างๆแต่พอเราเมือเจอสัมผัสทางกายสัมผัสทางหูสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางใจพร้อมกันหมดเนี่ยโอ้เหมือนกับจิตเราจะแทบจะขาดเป็นเสียงๆใช่ไหมวิธีแก้ทํำยังไงพระเจ้ามอบให้ไว้แล้วใช่ไหมก็คือการที่เรา เ อ, อทําจิตให้อยู่ในความอดทนคือสู้ด้วยสีวิธีอย่างที่อาตมาว่านะวิธี น, นี้พุะรูจ้าพูดเอาไว้คือสู้ด้วยความอดทนไม่เบียดเบียนเยนมตตาจิตแล้วก็รักใครเอ็นดูนะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยให้เราเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนนี้เราชั้นว่าชั้นสร้างบ้านดีแล้วนะอยู่ในที่สูงแล้วนะไม่ท่วมแน่นอนไม่เคยท่วมมาก่อนคราวนี้มันโดนแฮมันไม่เที่ยงจริงจค่ะนะ มีปีหนึ่งที่วัดป่าดอนไหาโศกเนี่ยคิดว่าสูงสูงขนาดนี้เป็นที่ดอนเนี่ยดอนไหายโศกนะจะไม่ท่วมแล้วเมื่อหลายๆปีนู้นสมัยที่หลวงพ่อมาตั้งวัดได้ประมาณสิบกว่าปีถัดมาก็ยังมีน้ําท่วมวัดได้มันไม่เที่ยงปีนี้ไม่ท่วมแต่ตอนนี้ไม่ท่วมนะเจ้าค่ะไม่ท่วมเไม่ค่ะทางมาวัดจากสนามบินหรือจากตัวเมืองอุดรเนี่ยก็ไม่ท่วมเจ้าค่ะแลค่ะแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงอเนี้่ยที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยให้เราฝึกมีความอดทน สามัคคีเกื้อกูลการเอื้อเฟื้อการมีเมตตาจิตต่ อ, อ ก, กันนะไม่มีเวลาไหนในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะต้องการความสามัคคีเราก็เห็นอกเห็นใจกันเนทะ่าวินาทีนี้แล้วอันนี้เป็นเครื่องที่จะทดสอบความเป็นคนของคุณว่าคุณเราเนี่ยยังมีคุณธรรมนี้อีกไหมแล้วคุณธรรมตรงนี้จะถูกทดสอบแล้วทดสอบอีกคุณตนใจไม่ว่าเหตุการณ์อะไรในที่จะผ่านมาในประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือประวัติศาสตร์โลกนะมันก็จะทดสอบคุณธรรมอันนี้ของเรา เนาะอย่างที่3คือการที่เราอยู่ในสถานที่แบบนั้นเนี่ยมันหาความสุขอะไรไม่ได้เลยน้ำน้ำบางทีก็เป็นน้ําฝืนฝืนมากินเพราะฉะนั้นให้หาความสุขจากในภายในให้หาความสุขจากสมาธิให้สังเกตลมหายใจนะเราสังเกตลมหายใจจะเข้าสู่ความสุขที่เกิดจากในภายในได้จะนะให้หาความสุขอันนี้ทดแทนนะส่วนคนที่ไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้ทํำยังไงคุณก็ถ้าคุณมีจิตจะหมายความว่า มีทรัพสมบัติบ้างใช่ไหมพระเจ้าก็กให้เอื้อเฟื้อแบ่งปันกันนั้นโดยการใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมตัวเองเลี้ยงดูหรือยังพ่อแม่ครอบครัวผัวเมียเลี้ยงดูหรือยังเลี้ยงดูให้อิ่ม้ําพอสมควรแล้วเก็บใช้จ่ายทรัพย์ไว้ไม้มีแบ่งปันแล้วก็ส่วนที่แบ่งก็แบ่งได้นะแบ่งไปช่วยเหลือการช่วยชาติช่วย เ, เขาเรียกว่าอะไรพระาบอกว่าช่วยญาติก็ได้ช่วยชาติก็ได้อย่างนี้ก็คือจะอยู่ในกรณีของช่วยญาติช่วยชาติ แบ่งทรัพย์ใช้ใจ่ายนี้เป็นการแบ่งทรัพย์ใช้ใจ่ายที่เหมาะสมะนะแล้วก็ถ้าเราไม่มีนะหรือแบ่งจ่ายแล้วไม่พอทำอยังไงก็ให้แบ่งน้าใจได้เราตื่นเช้ามานั่งสมาธิแผ่เมตตาไปให้ก็ได้แ่งส่งกระแสความรักความเมตตาออกไปนะเขาก็จะได้รับอยู่ดีอย่างน้อยกระแสความรักความเมตตานี้ไปถูกต้องใครใช่จิตดวงนั้นเนี่ยมันก็จะน้อมไปเพื่อกุศลธรรม นะอย่างเช่นว่าคือเราอยู่ในสคนที่อยู่ในสถานการณ์เนี่ยบางทีมันก็เครียดนะคุณตนใจอาจจะด่ากันบ้างว่ากันบ้างทิมแทงกันด้วยหอกปากบ้างแต่ถ้ามีกระแสแห่งความรักความเมตตามาถูกต้องเขาใช่ไหมทีนี้เขาจะด่าเขาอาจจะด่าน้อยลงด่ามากก็ด่าน้อยลงหรืออาจจะนิ่งอยู่หรืออาจจะอดทนได้นะถ้าเขาถูกต้องแห่งกระแสแห่งความรักความเมตตานี้อย่างเงี้ยนะแล้วที่จะร้องกันเพราะว่าน้ําทางชั้นท่วมทางเธอไม่ท่วมอะไรอย่างนี้ก็คงจะอ คลายลงนะเจ้าค่ะก้าเราเจ้าค่ะถ้าเราแบ่งกระปันกระแสความรักความเมตตาให้ซึ่งกันและกันเจ้าค่ะได้แน่เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระจันทร์ไปบุญอภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แนะให้พวกเราได้รับทราบแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะว่าอเมื่อเรานำพระคถาที่องค์พระจัมมัสัมพุทธเจ้าเคยชี้แจงแสดงธรรมไว้เกี่ยวกับเรื่องของการหาความสุขที่จะมีได้โดยไม่ต้องทํางานไม่ว่าในที่ไหนใครๆก็ ย่อมทรงชีพอยู่ไม่ได้ก็คือว่าจะต้องมีการทํางานนั้นเนี่ยนะคะแล้วเพราะถ้าเผิดจะทําอย่างนั้นก็คงจะต้องเป็นทางแห่งนิพพานก็คือจะต้องปฏิบัติที่จะต้องให้ไปถึงพระ น, นิพพานนั่นก็คือเราไม่ต้องทํางานอีกต่อไปทุกอย่างก็จบสิ้นลงนะคะแล้วท่านพระอาจารย์เปโตรก็ยังได้เมตตาที่จะชี้แนะแนวทางมาถึงท่านผู้ฟังทางบ้านห ล, หลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องร่วมชาติของเราที่กําลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้รวมทั้งท่านที่ไม่ได้ ประสบอุทธกภัยนะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันด้วยน้ําใจได้อ่ามีบริจาคมีมากบริจาคมากมีน้อยบริจาคน้อยนะคะก็ตามกํำลังศรัทธาหรือไม่ก็แผ่เมตตาให้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่อาจารย์สรุปอีกนิดนึงเถ้าเจ้าค่ะในนาทีสุดท้ายเจ้าคะ่ะก็คือให้ดูแลรักษาซึ่งกันและกันนะด้วยความอดทนด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตแล้วก็ด้วยความรักใคร้เอ็นดูเจ<ช>้าค่ะ สิงเหล่านี้ก็จะทําให้พวกเรานั้นเนี่ยได้พ้นทุกข์ไปได้นะเจ้าคะเปิดจิตใจสงบแล้วก็ทุกอย่างก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ในที่สุดก็ดับไปก็คงจะพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้นะเจ้าคะใช่เจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมารับบรุนในเช้าวันเสาร์ที่8ตุลาคมก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วคะ่ะที่จะต้องนําท่านผู้ฟังทั้งบ้านทุกท่านนะคะกราบนมัดการอขอขอบคุณแล้วก็ ลาพระจันทร์ไปบุญอภิปุโรหนลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสอาดทิโทภโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหโศกตำบลดอนหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์ที่9ก้าตุลาคมเรากลับมาพบ ก, กันใหม่เวลาตีห้าเหมือนเคยนะคะสําหรับในเช้าวันนี้ขออนุ ญ, ญาตนําทุกฝั่งกราบน้ัสการลาพระจันทร์ไปบุญอภิปุโรพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการลาเจ้าขาพระจันทร์เจ้าขาเชิญผ า, านสาธุเจ้าค่ะ